เอาชนะอุปสรรคต่างๆได้ไรทำร้ายไม่ได้คล้าวคลาจะอันตรายต่างๆทั้ ง, งหมดนี้สิ่งที่ช่วยเหลืออยู่เบื้องหลังก็คือบุญบารมีหรือวิบากแห่งกุศลต่างๆของเขาหลักต่างๆที่กล่าวมานี้คือหลักที่สาคัญยิ่งคนที่ได้ศึกษาถึงเรื่องวิบากเข้าใจอย่างแจำแจ้งแล้วทุกคนจะรู้ได้ดีว่าวิบากของคนเรา